บูชาพระรัตนตรัยกาบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อกำเขียนก็กราบคารวะพระอาจารย์ทรงศิล์ผู้เป็นประธานของสงฆ์ในวันนี้ก็กราบคารวะพระเทรานุเถระเพื่อนสาธมิกพระเจริญพรแม่ชีอุบาสกอุบาสิก า, าที่มา ศึกษาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสกุล โ, โตในวันนี้ก็ก่อนอื่นนะก็คงจะขอน้ ม, มนานะที่พวกเราได้มาร่วมกันใช้เวลาในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยมาทำสิ่งที่เป็นสารประโยชน์ให้กับชีวิตนะในช่วงนี้ส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตรหรือเคยมีชีวิตผ่านมา เราก็จะใช้เวลาไปกับการได้ทำบุญสุมทานตามประเพณีเที่ยวสนุกสนานรดน้ำให้แก่กันและกันเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศร้อนซึ่งตรงนี้ก็เป็นการแสดงถึงความมีน้ำใจของคนไทยที่จะทำยังไงให้ ความร้อนทางกายเนี่ยมันเบาบางลงความร้อนทางใจก็เบาบางลงนะนั่นก็เป็นสิ่งที่เป็นเทศกาลเป็นประเพณีที่เราทำซึ่งต่อกันมานะซึ่งมาถึงวันนี้มันก็แปลเปลี่ยนไปนะกลายเป็นเทศกาลที่ส่งเสริมความสนุกสนานมากกว่านะแล้วก็ เป็นเทศกาลแห่งการเสียสติมากกว่าธรรมาว่านะปีหนึ่งปีหนึ่งปีนี้เห็นว่าตั้งว่าจะต้องตายไม่เกิน320ยี่สิคนตั้งเป้าไว้อย่างนั้นเลยนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากตายคนเดียวนี่เราก็ถือว่าไม่น่าจะเกิดกันละนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าทุกท่านเนี่ยก็คงจะเห็นพิษภัย ของเทศกาลแห่งความไม่รู้สึกตัวเป็นเทศกาลแห่งการหลงลืมตัวไปมัวเมาอยู่กับความสุขสนุกสนานจากการกินการเที่ยวการเล่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุรายาเมาช่วงนี้จะขายดีมากยอดขายพุ่งกระฉูดซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเราก็เห็นแล้วก็เป็นอันตราย นะก็ต้องขออนุโมทนาทุกท่านนะที่พยายามหลีกเลี่ยงส่วนนี้นะเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์ธงศินชอบพูดอยู่เรื่อยๆแต่มาฟังแล้วก็ตลกเดียเป็นเทศกาลที่คนจะไปนอนนอนอ่านหนังสือพิมพ์ข้างทางก็คือมันเกิอุบัติเหตุแล้วหนังสือพิมพ์คุมไงนะนอนอ่านหนังสือพิมพ์ข้างทางนะเพราะฉะนั้นการที่เรามาวัดป่าสุขโตโรเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเราเอารักษาชีวิตของเรา นะไม่ให้ไปสูญเสียกับเทศกาลที่ที่มันเคยดีงามนะและปัจจุบันมันก็แปลเปลี่ยนไปเกิดเป็นพิษเป็นภัยเป็ น, ปนผลร้ายแรงขึ้นมาการทำบุญสุนทานตามประเพณีก็เป็นเรื่องดีนะแต่ที่เรามาทำกันในช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นบุญบุญใหญ่นะเป็นบุญที่เกิดจากการ สร้างสติสร้างปัญญาเรนะเรียกว่าเป็นภาวนาใหมนะบุญในในพุทธศาสนาถ้าเอาเย่อๆนะมีอยู่3อย่างนะก็คือทานามัยการให้ทานศนะีลนามัยการรักษาศีลนะแล้วก็ภาวนาใม่นะทานามัยกับศีลนามัยนี่เรารู้จักดีแล้วทำได้ไม่ยากนะแต่ภาวนาใมัเนี่ย มันทำยากแล้วก็ไม่เคยได้ทำกันนะก็เลยทำให้บางทีบางคนทำบุญมากนะแต่ก็ยังไม่เคยมีความสุขนะยังโกรธยังหนุดหงิ ด, งดนะยังเป็นคนมโหร้ายอยู่นะต่อเมื่อมาทำภาวนานะจึงจะสามารถแก้อารมณ์เหล่านั้นได้ และเท่าที่ทราบในวัดเนี่ยก็น่าเสียดายนะมีหลายคนนะมัวไปยุ่งกิจกรรมหลายอย่างไม่ได้มาสนใจเรื่องการภาวนาและบางครั้งก็มีเรื่องกระทบกระทั่งก็ทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จะแก้ปัญอย่างไง ท, งทั้งที่วัดป่าสุขโตเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องนี้โดยตรงนะที่เราจะแก้ไขปัญหาใะอารมณ์ของตัวเราเองได้ คำว่าภาวนาใหมเนี่ยไม่ใช่หมายถึงการท่องบนหรือคําบริกรรมค ำ, คำว่าภาวนาคือพัฒนาแนะพัฒนาพัฒนาอะไรพัฒนาความรู้สึกตัวนะพัฒนาสติสัมปชัญญะต้องไปพัฒนาทําไมนะบางคนที่มาใหม่อาจยังไม่รู้นะมันมีความสําคัญอย่างไงโดยเฉพาะวันนี้มีภิกษุ บทใหมนะ่เข้าใจว่าน่าจะเป็นสองรูปนะก็จะมีธรรมะบทแรกเลยที่จะต้องรู้ถ้าอ่านนะว่าโกวาดก็คือสติสัมปชัญญะนะซึ่งเป็นส่วนสำคัญในเวลาเราไปขออุปชาบวชเนี่ยเราก็บอกว่าเรามาบวชเนี่ยเพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งเราไม่ได้บวชมา เพื่อพักผ่อเราไม่ได้บวชมาเพื่อจะไม่ต้องทำงานเราไม่ได้บวชมาเพื่อที่จะมากินจนนอนนอนไม่ใช่นะแต่เราบวชมาเพื่อทำพัณิพานให้แจ้งนะซึ่งตรงนี้เนี่ยการทำบัณิพานให้แจ้งเนี่ยตัวธรรมาคิดว่าไม่ใช่เรื่องเฉพาะของพระนะเป็นเรื่องของคนทุกคนนะนะที่เผชิญกับความทุกข์ นิพพานเป็นสภาพที่หมดทุกข์หรือที่สุดของทุกข์และคนทุกคนไม่จําเป็นจะต้องเป็นพระไม่จําเป็นจะต้องเป็นนักบวชไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนชาติไหนภาษาไหนก็ตามมีความทุกข์ต้องหาทางแก้ไขความทุกข์นี้นะซึ่งความทุกข์เนี่ยบางที เราก็รู้บางทีเราก็ไม่รู้บางทีเรารู้ว่าทุกเนี่ยไม่ดีแต่เราก็ยังทุกอยู่เรารู้ว่าโกรธไม่ดีเราก็ยังโกรธอยู่เราแก้ไม่ได้นะเพราะความรู้ที่เรามีเนี่ยเป็นความรู้ที่เราคิดขึ้นมาหรืออาจจะไปจดจําคําพูดเข้ามานะแล้วเราก็ไม่รู้กลไกของมันว่ามันจะแก้ยังไงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เรามาสนใจเรื่องพวกนี้นะในชีวิตของเราความทุกข์นั้นนะบางคนจะบอกพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความทุกข์ไม่มีสุขเลยหรืออะไรเงี้ยนะจริงๆความสุขความทุกข์เนี่ยมันก็เป็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะแปลเปลี่ยนไปไม่แน่นอนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ การที่เราไม่รู้เท่าทันสุขและทุกเนี่ยแหละนะมันทำให้เราเข้าไปสุขเข้าไปทุกเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกเมื่อเข้าไปสุขเข้าไปทุกเนี่ยเราก็อยากจะให้สุขมันอยู่กับเรานานๆทุกไม่อยากให้มันเข้ามาแต่สุขกับทุกข์ก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราเราไม่สามารถที่จะไปบังคับบัญชาได้ว่าเออให้มันสุขตลอดไปนะก็เป็นไปไม่ได้ไม่มีทุกเลยนะ มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะสุขทุกข์เนี่ยมันก็เป็นสลับปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเหมือนกลางวันกลางคืนเหมือนลมพัดผ่านไปแล้วก็ผ่านมาหมุนเวียนเปลี่ยนไปชีวิตของคนที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้เรียนรู้เรื่องของกายเรื่องของใจก็จะเหน็ดเหนื่อยหน้ากับความสุขความทุกข์ ก, การวิ่งหาความสุขวิ่งหนีความทุกข์นะไม่หยุดไม่หย่อนและความสุขที่ได้มามันก็อยู่ไม่นานมันก็ไปนะและแปนความสุขที่ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมภายนอกวัตถุภายนอกบุคคลภายนอกเห่นทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเชื่อว่ามันเป็นแก้วสารพัดนึกที่จะทำให้เรามีสุข แต่ความสุขก็ไม่ใช่มันเปลี่ยนได้มันไม่คงที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของเราเพราะนั้นผู้ที่มีชีวิตที่ไม่ได้ผ่านการฝึกไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเนี่ยก็เป็นชีวิตที่อยู่ในสังสารวัตรนะก็คือการเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์พอใจไม่พอใจยินดีไม่ยินดีเป็นโลกที่ เอาแน่เอานอนไม่ได้น่ามีขึ้นขึ้นลงลงถ้าดูสภาพแล้วมันก็เหมือนคนไม่ปกติอ่ะเหมือนคนบ้าถ้าดูกันดีๆแล้วน่ะน่าก็คือใจมันไม่ปกติแต่เราไม่ได้เห็นอีสภาพหนึ่งสภาพที่ใจมันปกติมันอยู่เหนือสุขและอยู่เหนือทุกข์มันเป็นสภาพจิตดั้งเดิมที่มันมีอยู่แล้วมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตรงนี้เนี่ย คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเลยสัมผัสและสภาพจิตปกตินี่นแหละเป็นสภาพที่รักษาให้กายใจของเราเนี่ยมันอยู่ได้มันไม่เครียดเกินไปมันไม่เหนื่อยเกินไปมันไม่หนักเกินไปเขาเรียกว่ามันคืนสู่ความเป็นปกติคืนสู่ความเป็นสมดุลของมันซึ่งการที่จะสัมผัส กับสภาพอย่างนี้ได้นะเราก็จะต้องรู้เท่าทันกับสิ่งที่เราเรียกว่าความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่เข้าไปสุขหรือเข้าไปทุกข์นะเราเห็นเรารู้เราไม่เข้าไปเป็นนะเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์เห็นมันปกตินะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญทั้งหมดที่พูดมานเนี่ยมันเป็นสิ่งนมามธรรมมันมองไม่เห็นด้วยตา มันนึกคิดเอาไม่ได้จำเป็นที่เราจะต้องอาศัยสิ่งที่เป็นนามธรรมเหมือนกันซึ่งธรรมชาติเขาก็ให้มาสิ่งนั้นเราเรียกมันว่าความรู้สึกตัวหรือสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นนามธรร ม, มอีกอันหนึ่งที่เราจะมาใช้เป็นเครื่องมือในการดูสิ่งที่เกิดขึ้นภายในร่างกายและจิตใจของเรา รวมทั้งเมื่อ ก, กายใจของเราไปสัมผัสกับโลกภายนอ ก, นนอกแล้วมันเกิดความคิดอะไรขึ้นมาเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นมานะทีนี้สติสัมปชาัญญะหรือความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันเป็นนามธรรมเราไม่สามารถที่จะไปนึกไปคิดไปจับมาได้นะแต่มันมีนกลไกอันหนึ่งที่เราสามารถจะทำให้มันตื่นขึ้นมาได้ ก็คือกายกับใจมันอยู่ด้วยกั น, นมันอยู่ด้วยกันเราก็ใช้วิธีการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยเป็นตัวที่จะมาปลุกความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วนะเขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกตัวพื้นฐานหรือความรู้สึกตัวสา ม, มัญที่มีอยู่แล้วอย่างเราทําการทํางานเรากินเราไปนู่นมานี่เรามีสติ เรามีความรู้สึกตัวโดวยพื้นฐานแต่ความรู้สึกตัวที่มีนี้เป็นความรู้สึกตัวสามัญมันไม่ใหญ่พอที่จะไปรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกความนักคิดเพราะนั่นเองพูดในตอนแรกว่าเรารู้นะความโกรธไม่ดีนี่เราก็มีสติรู้ในระดับความจําแต่เราก็ยังโกรธอยู่ พอความโกรธมันวูบขึ้นมาเนี่ยเราไม่ทันละแล้วก็พุ่งออกไปเลยพูดออกไปดาวออไปเลี้ตอ่อยชกไปนั้นพราะเราโดนโดนอารมณ์เนี่ยมันมันเข้ามาครอบงำใจแล้วมันก็ให้เราทําไปตามความเคยชินเรียกว่าทําไปตามอารมณ์ทําไปตามความคิดการที่เราจะรู้เท่าทันความคิดก็ดีอารมณ์ก็ดีเนี่ยเราก็จะต้องอาศัยคู่ปรับของมันก็ ค, คือความรู้สึกตัว การที่เราจะปลุกความรู้สึกตัวตรงนี้ที่มีอยู่แล้วให้มันตื่นขึ้นเนี่ยนะก็มีวิธีการก็คือการถ้าเป็นสมัยก่อนส่วนใหญ่ก็จะใช้ลมหายใจนะอนาปนาสตินะหรือบางแห่งก็ใช้คำบริกรรมพุโทโธสัมมาอารหังยุบหน้อพองหนอนะซึ่งหลายคนคงได้เคยฝึกมาบ้างนะซึ่งวิธีเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นวิธีการที่ดี นะถ้าเราทำให้มันต่อเนื่องให้มันเกิดผลจริงๆนะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตคนที่ฝึกที่ผ่านมาเนี่ยส่วนมากจะไปติดอยู่ที่ความสงบคือไปเข้าใจว่าการมาปฏิบัติธรรมก็คือให้จิตมันสงบนิ่งไม่รู้ไม่ชี้กับอะไรทั้งสิ้นนิ่งเลยไม่คิดอะไรเลยสบายเบาเย็น ซึ่งอันนี้มันเป็นมันเป็นผลจากการที่เราไม่รับรู้อะไรชั่วขณะหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นสมถะนะซึ่งอันนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งสามพันสี่พันปีก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าเจ้าใายาก็ไปเรียนเรื่องพวกนี้มานะแต่วิธีการที่ฝึกอาณาบัติก็ดียึบหนอบ้องหน่อก็ดีมันมีขั้นที่สูงขึ้นไปกว่านั้นแต่ส่วนใหญ่เราไปติดอยู่ตรงนี้ มันก็เลยไม่ก้าวหน้ามันก็เลยไม่พัฒนาเราทํามากี่ปีกี่ปีมันก็ยังโมโหอยู่เหมือนเดิมมึงที่โมโหมากกว่าเดิมอีกเพราะอะไรเพราะเราติดสงบไงพอติดสงบมันก็ออกไปทําการทํางานมีเรื่องมากระทบมันเร็วขึ้นจิตมันเร็วขึ้นมันโกรธบางทีโมโหแรงเพราะนั้นเราจะควรจะเคยเห็นนะคนไปปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีกลับมาบ้านเูโหมโหแรงกว่าปกติอีกนะเพราะอันนี้เนี่ยเหมือนไปกดกลมมันอะ กดขม่มความคิดกดขม่มอารมณ์ไม่ให้มันแสดงออกมานะเขาเปรียบเที่ยบเหมือนกับ <c oughs> หินเนี่ยมันทับหญ้าไว้หญ้ามันไม่ตายหรอกพอเราหินออกหญ้ามันก็งอกขึ้นมาใหม่เหมือนเราไปกดขม่มอารมณ์ความคิดเอาไว้ไม่ให้มันแสดงออกมาพอเราออกจากที่นั่งสมาธิมันก็แสดงตัวออกมาอีกซึ่งวิธีการนี้เนี่ยทําให้หลายคนเนี่ย เข้าใจว่าเนี่ยคือการทำวิปัสนานี่คือการปฏิบัติธรรมนี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมใช่แต่มันไม่ใช่ที่สุดมันเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งมันไม่ใช่ที่สุดซึ่งตรงนี้หลายคนไปติดอยู่ติดแง่เกี่ยงนั้นแหละแล้วบางทีมันก็เปลี่ยนนิสัยไปเลยนะทาให้กลายเป็นคนที่ไม่อยากคบหาสมาคมกับใคร อยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวถ้ามีความทุกข์เข้ามาก็จะเข้าห้องพระปิดประตูเบิดไฟลีลีเปิดแอร์เย็นๆ น, นั่งบริกรรมให้มันมีความสุขสงบนิ่งแต่มาเคยไปที่วัดอินทารามที่บางขุนพรมกรุงเทพโอ้โหเย็นสบายเลยนะเห็นคนเข้าไปนั่งเลยนะ นั่งนิ่งหลับตาสงบสบายนะอันนั้นมันก็เป็นเป็นเรื่องที่จะช่วยในการพักผ่อนได้เป็นบางขณะเท่านั้นเองแต่นี่ไม่ใช่เป้าหมายไม่ใช่เป็นที่สุดไม่ใช่เป็นที่สุดของการปฏิบัตินะและ้วบางทีมันไปติดนะไปติดความสงบนะและปัญญามันไม่เกิดด้วยแต่สิ่งที่เรามาฝึกกันเนี่ยเราฝึกเพื่อให้รู้ตัว เป็นการตื่นรู้ไม่ใช่สงบแบบไม่รู้การตื่นรู้เนี่ยอาศัยความรู้สึกตัวที่มีเนี่ยปลุกมันขึ้นมาโดยอาศัยการเคลื่อนไหวของกายซึ่งวิธีการนี้เนี่ยหลวงพเทียนเนี่ยท่านได้นำเสนอไว้เมื่อประมาณ50ปีที่แล้วซึ่งอาจจะนับได้ว่าเป็นเป็นวิธีการที่แปลกไม่เหมือนวิธีการอื่นๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังมา ความแปลกอันที่หนึ่งก็คือไม่ต้องนั่งหลับตาลืมตาอันที่สองไม่ต้องนั่งนิ่งๆเคลื่อนไหวอันที่สามไม่ห้ามเนะีมันจะคิดอะไรช่างมันแต่ไม่ตามไม่ตามและไม่ห้ามแต่เมื่อใดก็ตามที่มันคิดเรากลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวซึ่งมีวิธีการเคลื่อนไหวมือสิบสี่จังหวะ นะคนที่มาใหม่นะจะเจนเลยว่าทั้งพระทั้งโยมเขาจะนั่งยกไมย้ยกมือกันแล้วไม่หลับตานะคนนี้นั่งหลับตานี่แสดงว่ า, ต, า, านะติดของเก่ามานะติดของเก่ามาหรือไม่ก็ง่วงอ่ะพูดง่ายๆนะเดนินความง่วงมันกดหัวเอานะสมที่ทวตามายอยู่กับหลวงพ่อเทียนสมัยนั้นหลวงพ่อบอกไม่ต้องหลับตาลืมตาให้มันเป็นชีวิตประจําวันไม่ต้องมีคําบริกรรม แล้วเวลายกเนี่ยไม่ต้องยกช้าเป็นจังหวะจังหวะเหมือนกับที่เขามีกันยกธรรมดาธรรมดาเนี่จุดสําคัญก็คือให้มีการเคลื่อนมีการหยุดแล้วรู้กับการเคลื่อนการหยุดของมือรู้รู้คือรู้อะไรรู้สึกตัวว่ามันเคลื่อนมันหยุดเท่านั้นเองไม่ได้รู้อะไรมากกว่านั้นเพราะนั้นธรรมะเนี่ยนะบางทีมันยากตรงที่เราคิดลึกเกินไป มองนึกเกินไปโดยเฉพาะคนนี้อ่านหนังสือมากๆนะเนี่ยนะยากเข้าใจยากแล้วจะมีทิฏฐิด้วยบอกโอ้ไม่ใช่แล้ววิธีนี้พุทธเจ้าไม่เคยสอนไม่มีพูดในตำรานะซึ่งถ้าเราไปค้นในพระไตรปิฎกมีนะมหาสติติฐานสูตรหมวดกายานุปัสนาสติติฐานสัมปชัญญะบัพพะอริยาบัพพะ ก็คือให้มีสติรู้กับการเดินนั่งนอนยืนคู่เหยียดเคลื่อนไหวท่านผู้นหลักการกว้างกว <c oughs> แต่หลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านมาคิดรูปแบบขึ้นมาว่าไอ้ที่คู่เหยียดเคลื่อนไหวนี่เป็นยังไงท่านก็เลยมาสร้างเป็นจังหวะสิบสจังหวะให้มันต่อนเนื่องกันไมชาหลวงพ่อขงเคงก็ได้พูดว่าเนี่ยพอเราพลิกรู้พิกรู้มันก็เหมือนรู้หนึ่งรู้สองรู้สามหนึ่งนาที รูคั้งหนึ่งหน่งนาทีลูครั้งหนึ่งวินาทีเนะี่ยลูครั้งหนึ่งหนึ่งชั่วโมงก็สามพันหกร้อยรูอ่ะนะวิธีนี้ก็เลยเป็นวิธีการที่อาศัยการเคลื่อนไหวของกายเป็นนิมิตวิธีอื่นก็จะใช้ลมหายใจบ้างใช้คำบริกรรมบ้างแต่วิธีนี้เราไม่เอาคำบริกรรมไม่ใช้ลมหายใจเลยเราใช้การเคลื่อนไหวของมือนะ มาใช้การเลื่อนไหวของมูอมันมีข้อได้เปรียบอันหนึ่งก็คือมันชัดมันใหญ่เป้ามันใหญ่และมันทําได้ง่ายตรงไปตรงมาไม่ต้องใช้ความคิดเป็นความรู้สึก ซ, ซ, ซื่อตรงไปตรงมานะทําไปทําไปทําบ่อยๆทําเรื่อยๆ เ, เนี่ยรู้บ่อยๆรู้เรื่อยๆนะมันก็ เป็นการเรียกความรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับแนวกับตัวบางทีมันคิดแวะไปกลับมาอยู่ตรงเนี้ยกลับมาอยู่มือที่ยกเนี่ยนะบางทีทำไปทาไปมันง่วงมันก็มีเหมือนกันอารมณ์ง่วงมันก็มาแล้วก็ยกให้มันเร็วขึ้นแก้อลมไปวันนี้มีผู้ปฏิบัติคนหนึ่งบอกว่าเดินจงกรมแล้วมันหนักขัวมากเลยแล้วก็สังเกตว่าหน้าเขาเพ่ง เขาตั้งใจมากเขาใช้มันรู้ตลอดความรู้สึกตัวในเบื้องต้นเนี่ยอย่าไปจ้องจี้ให้มันรู้ตลอดเวลานะรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างแต่เผลอเนี่ยกลับมารู้ให้ได้บ่อยๆจุดสำคัญเขาคือกลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆคนใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่ชนานาญหรอกที่จะให้รู้ตลอดนะรู้บ้างเผลอบ้างให้มันเป็นธรรมชาติทำวางใจวางกายวางกายคลาย นะทําให้มันผ่อนคลายบ้างนะบางทีไปเครียดมันมากเนี่ยบางทีโอ้โหมันก็เข็ดเหมือนกันมีอยู่ครั้งหนึ่งอาตมาเดินจงกรมอยู่หลังธรรมจักรกับท่านแจ็คโอ้โเที่ยวกันเอาจริ ง, เ อ, รงเอาจังเนะี่ยหลงวงพ่อคำเขียนนั่งก็ยืนลดน้ำอยู่แถวธรรมจกักรแล้วก็ดูเราอยู่อีกสักพักท่านก็ไปเล่านิทานให้ฟังว่าปกติคนเลี้ยงม้าเนี่ยนะ ถ้าม้ามันยังตัวเล็กๆเนี่ยม้าแข่งเนี่ยนะไปเคี่ยวมันมากมาเยมันเข็ดนะมันมีมันไม่มันไม่วิ่งเลยนะเพราะฉะนั้นต้องรู้จักผ่อนบ้างนะผ่อนให้มันบ้างการผ่อนคลายถ้าเรารู้รู้สึกหนักนะรู้สึกตึงนะคือคือที่มันหนักมันตึงเนี่ยเพราะเราเพ่งกับหมังในมากเลยเพ่งกอบมาโดยไม่รู้ตัววิธีการแก้ก็คือมองไปเพ่งนอกบ้างให้อารมณ์มันออกไปบ้างนะ พอบางทีมันออกไปมากๆมันฟุ้นสะอาก็ดึงกลับมาบ้างนะอันนี้ก็คือเป็นศิลปะในการที่เราจะรู้จักกันผ่อนออกไปการดึงเข้ามาแรกๆมันก็จะเก่งๆอ่ะเก่งๆเพ่งๆอ่ะไม่เป็นไรนะเป็นประสบการณ์เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเมื่อเราขี่จักรยานใหม่ๆเนี่ยมันเก่งอ่ะมันมันจะล้มมันจะเก่งอันนั้นมันเป็นธรรมดาเมื่อเราฝึกนี่เหมือนกัน เะนั้นคนมาฝึกใหม่ๆเนี่ยจะเก่งๆแล้วก็บางทีก็ระมัดระวังอยากจะมันมีสติอยากจะมีความรู้สึกตัวตลอดเวลานะซึ่งตรงนี้ก็ก็เป็นธรรมดานะไม่ผิดนะเป็นธรรมดานะที่เราจะต้องผ่านประสบการณ์พวกนี้ตัวแต่ใหม่ที่ได้ฝึกใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะง่วงนอนเบื่ออุ้งซ่าน โอ้มันคิดอะไรนักหนาเราอยู่ที่บ้านไม่เคยคิดขนาดนี้เลยไม่เคยง่วงขนาดนี้เลยมาทําบนีมันเหมันง่วงง่วงมันเบื่หน้าดูเลยมันถูกหรือเปล่าเนี่ยเออมันสงสัยขึ้นมากค่นะตรงนี้ถ้าจริงๆมันเป็นมันเป็นทางผ่านเป็นอารมณ์ที่จะให้เราเรียนรู้เราผ่านมันถ้าตัวอารมณ์แบบนี้ให้กลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเมืเช้าหลวงพ่อคาเขียนนั่นก็พูดไว้บ่อยๆว่า ให้มีสติอยู่ที่กายบ่อยๆนะตรงนี้จะเป็นฐานสําคัญอารมณ์อะไรเกิดขึ้นกับมาที่ตรงนี้ได้บ่อยๆแต่บางครั้งเราทําใหม่ๆเนี่ยเรายังไม่รู้แหละความรู้สึกตัวมันเป็นยังไงมันง่วงไม่รู้จะกลับมารู้สึกตัวยังไงมันก็มีวิธีแก้อันหนึ่งก็คือว่าอดทนก่อนนะมันง่วงเราไม่นอนตั้งสัจจะ ก, กับตัวเองเลยกลางวันไม่นอนกลางคืนนอนตามปกติ นะของเราบางทีเราปฏิบัติกันเองเนี่ยกลางวัน <c oughs> สู้ไปวไหวนอนดีกว่านัานนก็เสียเวลาแล้วนะเพราะนั้นไม่นอนแล้วก็แก้อารมณ์มันเช่นนั่งนี่มันง่วงมากๆใช่ไหมเดินเดินยังง่วงอีกเดินถอยหลังดูนะเดินเร็วแก้อารมณ์มันนะอย่าไปทำช้าช้านะมาเรีย น, นมือคนพยายามเดินช้าช้าย่องย่อง แ้ามีคำบริกรรมเนี่ยนะบอกว่าขวาเกิดทรายดับขวาเกิดซรายดับคิดในคิดในหัวนะบอก จ, จริงๆไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นเลยนะวิธีนะี้มันตรงไปตรงมาเลยซื่อๆเลยรู้สึ ก, ร, สกรู้สึกกับเท้าที่สัมผัสกับพื้นไม่ต้องคิดเลยเพราะนั้นการปฏิบัติทมโดยวิธีนี้ไม่ต้องใช้ความคิดเลยใช้การสัมผัสรู้ตรงไปตรงมาความคิดทั้งหมดทิ้งทิ้หมดเลย จะคิดดีคิดไม่ดีทิ้งให้หมดเลยจจารย์สั้งสิ้นนั่นเคยเปรียบเทียบซึ่งอาตมาเขชอบใจมากก็คือว่าในบ้านเราเนี่ยมันมีของรกเต็มบ้านเลยเราอยากจะจัดระเบียบมันใหม่จะทำยังไงนะบางคนบอกก็เข้าไปจัดมันมันเต็มมันรกไปหมดเลยอะวิธีการที่ง่ายสุดคือเอามันออกให้หมดก่อนให้ห้องมันโล่งๆก่อนแล้วก็อันไหนมันไม่ใช้ก็ทิ้งไป อนไนที่ใช้เอาเข้ามาแล้วจัดระเบียบนั้นกันเนี่ยเรามีชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยเราคุ้นเคยกับการคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดสารพัดคิดเนี่ยมันเคยชินที่จะคิดนะแล้วเราพอเรามาปฏิบัติเนี่ยมันก็จะผุดขึ้นมาแสดงออกมาสารพัดแล้วเราก็จะคุ้นเนี่ยพอมันคิดอะไรเราก็ต่อเรื่องมันไปแต่ถ้าเรามาฝึกกันนี้นะมันคิดอะไรก็จะไปตามมันเลยไม่ต้องไปสนใจมันเลยคิดดีคิดไม่ดี ตั้งใจคิดหรือไม่ได้ตั้งใจคิดก็ทิ้งให้หมดเลยอันนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันตื่นได้อย่างเต็มที่ทำใจให้มันว่างปลอดโปงแล้วเราจะสัมผัสสภาพปกติของจิตมันจะแสดงตัวเด่นขึ้นมาที่เขามีอยู่แล้วอ่ะจริงๆสภาพจิตปกติในมันเหมือนดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็ส่องสว่างอยู่ตลอดเวลาแต่ที่มันมืดเพราะมันมีมิมบาบร เหมือนกัใจของเราเนี่ยมันส่องสว่างอยู่ตลอดเวลาแต่มันมีอารมณ์มาบังมันมีความคิดมาบังก็ทำให้เราเลยคิดว่าใจเรามืดมัวใจเรากโกรธไม่ใช่เลยใจมันไม่เคยกโกรธใจใจมันบริสุทธิ์นะมันส่องสว่างอยู่ตลอดเวลาแต่างใดก็ตามที่เรารู้สึกทันสิ่งเหล่านี้ก็จะมาบทบังไม่ได้นะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ย เมื่อเราฝึกที่จะรู้สึกตัวที่การเคลื่อนไหวของมือหรือการเดินจงกรมก็ดีในรูปแบบเนี่ยให้มนสองรูปแบบเนี่ยก็คือเดินจงกรมกับสร้างจังหวะนะให้ทำให้ได้บ่อยๆมีเวลาอยู่ที่นี่เนี่ยไม่กี่วันโดยเฉพาะพระที่บวชใหม่แล้วมีเวลาน้อยเนี่ยแต่มาอยากจะบอกเลยว่าทุกเวลานาทีให้เป็นเรื่องของความรู้สึกตัวทันในรูปแบบเลย เมื่อวานก็แนะพระรูปพระใหม่เป็นรูปหนึ่งนะว่าเออเราเรามาใช้เวลาตรงนี้นะให้มันเต็มที่เพราะท่านมีเวลาน้อยหรือโยมที่มาปฏิบัติเนี่ยก็อยู่ไม่กี่วันหลนะักนะก็พยายามใช้เวลาตรงนี้บริเวณลานข้างล่างเนี่ยนะก็สามารถที่จะใช้ได้สิ่งที่ควรจะงดเลยนะและไม่ต้องใช้เลยนะหนึ่งโทรศัพท์มือถืองดติดต่อเลย ชั่วคราวเลยสองหนังสือไม่ต้องอ่านเลยนะหนังสืออะไรทั้งหลายทิ้งไปหมดเลยเพราะหนังสือที่จะสอนให้เราเข้าใจจริงๆก็คือตัวเราเนี่ยกายกับใจมันจะแสดงออกมาแสดงออกมาโดยอาศัยตาในคือความรู้สึกตัวถ้าเราความรู้สึกตัวเราชัดเนี่ยเราจะอ่านอ่านได้หมดเลยกายเราเป็นยังไง นั่งแล้วมันปวดมันเหนื่อยนั่งแล้วมันร้อนนั่งแล้วมันเย็นมันแสดงออกมามันปวดมันเหนื่อยมันส่งผลต่อใจเป็นยังไงงดหนิดไหมไม่ปล่อยวางได้วางเฉยได้หรืออย่างเมื่อวานมีเสียงดนตรีมาก็หุ่นก็หุ่นแล้วเราก็ทาวัดอยู่เนี่ยใเรางดหนิดไหมเราชอบสงบสงบใช่ไหมเออเนี่ยอันนี้อันนี้มันจะสังเกตเพราะนั้น พัฒบุคคลเล่มใหญ่นะอยู่ที่กายที่ใจไม่ใช่อยู่ที่หนังสือนี้หนังสือนี้มันมาเกิดขึ้นทีหลังหลวงพว่อคำเขียนหนก็สือพุทธมเช้าเอากายเอาใจเป็นตําราเอาความรู้สึกตัวหรือสติสัมปชัญญะเป็นนักศึกษาดูมันลงไปเรียนรู้มันลงไปทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจอารมณ์ที่เป็นที่พอใจไม่พอใจเรียนรู้มันทุกอารมณ์เลยนะไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องปปฏิเสธมัน มันมาแสดงให้ดูมันเป็นเหมือนละครโรงใหญ่อะมันแสดงให้ดูทั้งตัวดีตัวร้ายบางทีเน่ะนะเราจะไม่เห็นเลยว่าโอ้โหตัวเรามันขนาดนี้ชฉยเหรอแต่ก่อนเราคิดว่าเราดีดีทุกอย่างเลยนะมันมีที่ไม่ดีนิสัยไม่ดีมก็จะโผล่ออกมาแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ไม่เคยดีไม่เคยดีโผล่มาอารมณ์ที่ไม่เคยดีอะโผล่มา งานะเช่นความง่วงความเบื่อความเซ็งเนี่ยมันจะแสดงอันนี้มันเป็นอารมณ์หยาบๆที่มันจะแสดงออกมานะแล้วเรามองเข้าไปรู้เลยพอมองทะลุความมุ่งไปนี่เดี๋ยวมันจะเจอความโปร่งเบาสบายพิติตรา่าร่าจะมีออกมาอีกแต่ก็อย่าไปติดมันดีนนะคนที่ฝึกใหม่ๆฝึกเก่าๆก็ดีบางทีไปไปเจอพิจิบอกโอ้โหวันนี้ยใช่แล้วไม่ใช่ต้องผ่านอีผ่านทุกอารมเลยนะผ่านทุกอารมณ์ แม้ใจปกติก็รู้ไม่ปกติก็รู้เรียนรู้มันทุกแง่ทุกมุมตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เราฉลาดเรามีไหวพริบเป็นความสมบที่ตื่นรู้จิตใจเราจะเป็นปกตินะเพราะนั้นการฝึกอันนี้เนี่ยเราไม่จาเป็นต้องหลบหลีกหนีสิ่งแวดล้อมเลยเรายังใช้ชีวิตตามปกตินะไม่ต้องไปอยู่ในห้องพระไม่ต้องมาวัด ถ้าเราฝึกได้เราก็ไปใช้ในโลกไม่จําเป็นที่ต้องมาบวชก็ได้ไม่ต้องมันุ่นห่มชุดนี้นะแต่ที่มันุึนห่มเนี่ยก็เพราะว่าต้องการที่จะใช้เวลากับเรื่องมุ่นี้อย่างเต็มที่แต่อย่างญาติโยมเนี่ยบางทีเราไม่มีเวลาที่จะมาอยู่อย่างนี้หรอกและยังต้องมีภาระมีอะไรที่จะต้องทําเราก็ทําไปแต่เราทําด้วยสติสัมปชัญญะแต่ก่อนเราจะทําไปด้วยความคิดด้วยเหตุด้ว ย, วยผลนะ แต่ต่อไปนี้เราใช้สติสัมปชัญญะเป็นตัวช่วยกำกับในการที่จะดาเนินชีวิตทั้งชีวิตส่วนตัวทั้งชีวิตครอบครัวทั้งชีวิตการงานนะซึ่งตรงนี้จะทำให้อะไรให้เราเนี่ยทำอะไรด้วยความยับยั้งชั่งใจไม่ทำอะไรไปด้วยความคุนหันพันแ ล, ล่นซึ่งปัจจุบันต้องยอมนัว่าโลกมันหมุนเร็วมันทำให้เราจะต้องทาอะไรรูรูเราไม่มีเวลาล้วที่จะมานั่งนิ่ง แบบสมัยก่อนที่เป็นสังคมเกษตรกรรมนั่งนิงน่งๆหลับตามันมันไม่ค่อยมีเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเคลื่อนไหวเรามีความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวนี่มันเหมือนเป็นการซ้อมอ่ะแล้วมันก็จะมีอารมณ์ให้เรามาซ้อมมาซ้อมที่จะปล่อยวางมาซ้อมที่จะรู้จักมันทุกแง่ทุกมุมมันนักมวยอ่ะได้ขึ้นโดยที่ได้เตะกระสอบทรายตลอดนะที่เราทำกันเนี่ยเหมือนนักมวยซ้อมซ้อมกระสอบทรายอารมณ์มันผุดขึ้นมา นะเราก็รู้จักที่จะรู้เท่าทันมันแล้วกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวถ้าเราทําอย่างนี้ได้เราออกไ ป, ไปเผชิญกับโลกขึ้นเวทีเราก็ชกได้เราไม่แพ้แต่ถ้าเราไปนั่งนิ่งๆหลับตาสงบอารมณ์อะไรมาแล้วก็ไม่เอาไอ้นี่มันไม่ได้ซ้อมอมันเหมือนจอมแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นอพอไ ป, ไปเผชิญกับโลกมันก็เสร็จโดนโลกมันชกเอาเพราะนั้นวิธีนี้เนี่ย น่นเป็นวิธีการที่เผชิญกับอารมณ์ด้วยความรู้สึกตัวเผชิญทุกอารมณ์ด้วยความรู้สึกตัวนะแล้วก็เราก็พยายามที่จะเรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้จากกายเนี่ยจากความรู้สึกตัวที่กายเนี่ยทำบ่อยๆทำเรื่อยๆนะมันจะเข้าไปรู้เรื่องข้างในความสุขความทุกข์อารมณ์ดีอารมณ์ร้าย อาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราสัมผัสกับโลกตาเห็นหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นเรารู้สึกยังไงเรามีอารมณ์อะไรขึ้นมามันจะเริ่มเห็นกลไกพวกนี้แล้วเราก็จะไม่เข้าไปเป็นกับมันซึ่งเป็นชีวิตเดิมที่เราไม่เคยได้มาฝึกไปสุกสกทุกๆชีวิตมันหนักมันแบกมันจะเห็นแล้วโอ้โหเราแบกมาไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้วนะบางทีเราแบกตัวเราไม่พอนะเราแบกคนอื่นอีกนะแบก คนนู้นคนนี้อีกขันห้ายังไม่พอมันขันสิบขันสิบห้าอีกเรียกว่ายิ่งหนักเลยแต่การที่เราไม่ได้มาดูตรงนี้เนี่ยเราก็เลยไม่รู้ว่ามันหนักนะเหมือนกับไฟเนี่ยมันร้อนแต่เราไม่รู้มันร้อนเพราะเราไม่เราไม่ได้ดูมันแล้วบางวันเราก็จะมารู้สึกฮถอนหายใจมันอะไรนาะชีวิตนี้ทําไมมันทุกข์ขนาดนี้มันหาทางออกไม่ได้แต่เมื่อเรามา จเจริญสติตรงนี้เราจะเห็นทางออกของชีวิตละเราจะรู้ละเป้าหมายของการเกิดมาเนี่ยเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องพวกนี้และไปถึงที่สุดของทุกซึ่งเป็นเป้าหมายของชีวิตสูงสุดของมนุษย์เราคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่อยากเงินหาทองให้มีความสุขสนุกสนานไอนั่นป็นเพความสุขแค่ขั้นต้นนั้นนั้นเองมันมีความสุขที่ที่เป็นความปกติที่มันเหนือจากวัตถุ นะวันนี้อ่านเอกสารอันหนึ่งของกลุ่มศึกษาปฏิบัติธรรมเ็าพูดดีมกันมีคนไ้ถามดัลไลละมากว่าท่านเห็นคนทั่วไปแล้วท่านรู้สึกเศร้าใจในเรื่องอะไรบ้างท่านจะบอกว่าคนในโลกปัจจุบันเนี่ยใช้เวลาไปเกิดทั้งชีวิตกับการหาทรัพย์สมบัติหาเงินหาทอง จนไม่ดูแลสุขภาพตัวเองจนเจ็บไข้ได้ป่วยเสร็จแล้วก็เอาเงินที่หามาได้นะไปรักษาตัวเองซึ่งบอกเป็นเรื่องเศร้ามากนะแทนที่เราจะมีเวลาที่จะมาทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นมาดูแลจิตใจตัวเองนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ท, ที่ท่านบอกเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เศร้ามากนะซึ่งในโลกปัจจุบันเนี่ยก็ก็จะเป็นอย่างเนี้ยกันเยอะนะไปมุ่งวัตถุมากๆ นะแต่ไม่ได้มาสนใจเรื่องของจิตใจนะตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่าพวกเราเนี่ยมองเห็นทิศทางแล้วก็ยอมสละเวลานะที่จะไปหาทรัพย์สมบัติไปหาเงินหาทองนามเพื่อที่จะมาเรียนรู้เรื่องตัวเราเองเรื่องกายเรื่องใจนา ม, มาเรียนรู้เรื่องความปกติของจิตซึ่งเป็นทรัพย์ภายในที่หลงลืมที่เราทอดทิ้งไป เป็นของดีของมีค่าที่มีในตัวเรามันร้อยล้านพันล้านซื้อไม่ได้คนอื่นมาทำให้ก็ไม่ได้พ่อแม่มาทำให้ก็ไม่ได้เพื่อนทำให้ไม่ได้เราต้องทำเองแล้วถ้าเราทาเองแล้วเราเจอทรัพย์ที่อยู่ภายในเรานี้แล้วเราสามารถจะไปเจือจานให้คนอื่นได้โดยการชี้แจงแนะนำชักชวน บอกทางที่จะไปขุดคุ้มทรัพย์นี้ดังนั้นเขาไปขุดในตัวเขาอะเราไปบอกก็ได้กับคนที่ใกล้ชิดกับเพื่อนฝูงนะแต่ใหม่ๆนะยะเรายังอย่าเพิ่งไปสนใจตรงนั้นขุดค้นหาทรัพย์ภายในให้เกิดขึ้นภายในตัวเราก่อนนะซึ่งทรัพย์ภายในก็คือความเป็นปกติของจิตนั่นเองนะที่มันหล่อเลี้ยงให้เรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้นะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำเสนอในหลังจากการธรรมัดในวันนี้นะก็ไม่รู้ว่าฝั่งกันรู้เรื่องหรือเปล่านะ <c oughs> อ่อมาจะอาจจะรู้เรื่องอยู่คนเดียวแล้วพวกเราไม่รู้เรื่องเลยก็ได้เราไม่รู้ว่าพูดอะไรมากมายนะถ้าพูดไปไม่รู้เรื่องก็ขออภัยด้วยนะ <c oughs> แต่ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรจะคุยกันหลังใหม่ก็พอจะได้อยู่นะก็ใน ท้ายที่สุดเน่ก็อยากจะสรุปนะว่าใน 3- าสวันที่เรามาอยู่ที่วัดป่าสุกโตเนี่ยอยากจะชักชวนพวกเรานะให้มาเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวนะดยการเดินจงกรมสร้างจังหวะใช้เวลาให้เต็มที่คุ้มค่ากับเรื่องบางนี้นะแล้วก็ทําให้มันต่อเนื่องทั้งในรูปแบบและก็นอกรูปแบบนะในรูปแบบก็เดินจงกรมสร้างจังหวะ นอกลูกแบบก็คือพยายามรู้สึกตัวกับกิจวัตรประจําวันแปลงฟันด้วยความรู้สึกตัวล้างหน้าด้วยความรู้สึกตัวกินด้วยความรู้สึกตัวขับถ่ายด้วยความรู้สึกตัวทําทํากิจวัตรประจําวันให้รู้สึกตัวมันจะได้ไม่มันจะได้คุ้มค่ากับเวลาที่เราเรามาที่นี่กับเงินทองที่เราต้องเสียไปในการเดินทางมานะ ซึ่งตรงนี้มันจะคุ้มค่าหน่อยถ้ามาอยู่เฉยๆมาเพื่อนคุยมาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษอะไรอย่างนี้มันก็เสียเวลานะมาทําเรื่องนี้ดีกว่าเป็นบุญสูงสุดเลยนะเป็นบุญที่เราจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองคือทําให้เกิดสติเกิดปัญญาที่จะพ้นจากทุกได้พ้นจากความหนักอกหนักใจได้ นี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเชิญชวนพวกเราเนาะก็ท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศีรัตนตรัยนะก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือสติสัมปชัญญะสติปัญญาที่ทุกท่านมีอยู่แล้วนะั่นแหละที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบาลพลุกให้เกิดขึ้นในตัวเรา พระธรรมคือสัจธรรมความจริงที่แสดงตัวอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเราอาศัยสติสัมปชัญญะดูเข้าไปในตัวเราแล้วก็พระสงฆ์นะก็คือการที่เราประพฤติปฏิบัติการมองเข้าไปภายในตัวเรานั่นแหละนะเพราะนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเราอยู่แล้วนะไม่ใช่พระพุธทธธรรมพระสงฆ์ในภายนอกนะแล้วก็ ขอให้มีความเพียรมีขันติมีความขยันขันแข็งในการที่จะกลับประลุสตัวให้ได้บ่อยๆและตรงนี้จะเป็นสิ่งที่จะน้อมนำให้เรากลับคืนสู่ความเป็นปกติของใจซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมแท้าที่มีอยู่แล้วในทุกคนในรายวันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร